นี่เหมือนพว่วงเหมือนแพรมาสุสมไปตามการสมัยเราจะาขี่มันขาบฟากให้ได้ไม่ต้องไปแบกมันเมื่อมันโจมลงไปก็ขึ้นฝั่งเลยเลยไม่ต้องเอาแพรขึ้นไปด้วยคือกายคือรูกประธรรมเราจึงมาศึกษาเรื่องนี้กันจะเป็นทุกข์เพราะกาย่าเป็นทุกข์ เ, กเพราะใจเราใช้มันเรามาใช่เรามาดูมาทำกรรมฐานเพื่อจะรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริง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 หลวตาก็าเคยเรียนรักถมสวงยเา็นเลนก็สอบได้ใบประกาศเพราะตอบได้แต่ไม่ใช่ญาณที่มันจังรู้มันจามาเช่นเขาถามว่าําเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คืออะไรทาเป็นที่อยู่ของผู้น้อยคืออย่างไรกูลที่มังคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุใดแต่กูลที่มังคั่งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดเราตอบได้เพราะเราเรียนเราจามา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 มีโอกาสช่วยกันแล้วก็ลูกของเราเองสามีของเราปัญญาของเราไปช่วยกันด่ากันให้มันเย็ใจสามีเห็นหน้าพระเจ้ญญาเย็นใจเพราะเห็นหน้าปัญญาเห็นหน้าสามีเย็นใจถ้าทาให้กันเย็นใจสบายใจก็เป็นบุญถ้าทำให้กันเดือดร้อนก็เป็นทุกข์เราไปทบุญให้บุญเครื่องค้ำจุนโลกบุญเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคือความดีที่เรามีในตัวเราเอาไปให้มัน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 บางทีทางประเทศต่างๆตัดสินใจเอาเครื่องมีนใส่อาหารไปหย่อนลงประเทศว่าจะเอาไปแจกกันเด่งนั้นคือทั้งก็มีสมมุติปัญญ์จิตมัน่นถือมัน่นถ้ามนุษย์คิดถึงมนุษย์เราเป็นมนุษ ย, ายชาติให้ช่วยกันบางทีสมมุติปัญญ์เข้าขวงกันประเทศของกูมึงอย่าเข้ามาอันนี้ของกูอันนี้ของกูกายก็ของ ก, ก, องกูเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะกายเอากายไม่เป็นทุกข์ใจของกูเป็นทุกข์เพราะใจเอาใจมาเป็นทุกข์ เรียกว่าอุปทานว่าโดยยกอุปทานขันทั้งห้าเป็นโททุกสังเจลาสวนอันตรคณาสูตรที่นี้อุปทานคืออะไรกูมีไหมกูในกายกูร้อนเห็นไหมกูพอใจกูชอบเอากายมาเป็นกูกูเหนื่อยวิธีเปิรทำยังไงเห็นมันมันร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติปนาการของกายของรูป ไม่เป็นทุกข์ความล้อมได้ไหมได้ทำไงรู้เฉยเฉยรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเหนื่อยรู้แล้วเบาไหมเจ้าไม่ไหวหนักไหมไม่เป็นไรเมาไหมเห็นมันหรือเป็นมันเป็นผู้ล้อนหรือเห็นมันล้อนผู้หนา ว, ห, นนนาวนหรือเห็นมันหนาวผู้หิวหรือเห็นมันหิวผู้ถามนักปฏิบัติมันเครียดง่วงกว็ง่วงคิดมากอ้าว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 มันไม่ทุกข์ก็ได้นี่นะเอาไปโกรธมันไม่โกรธก็ได้นี่นะเรื่องแค่นี้ถ้โกรธไปไงทุกข์ไปไงไหวไหมไม่ไหวไหวหลวตาเคย<ม>เคยสวนทางกับความคิดคนนั่งรถไปด้วยกันมันล้อนไปเผยแพรพ่ธรรมที่เชียงใหม่สมัยอาจารย์ทองศิลเป็นนักศึกษาอยู่ที่พะยับเชียงใหม่ไี่หวนไปสอนอ<ม>นี้เป็นนักศึกษากเรียณจบแล้วทำงานทํากา ร, การละมาบวช เป็นอาจารย์กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานแม่ไก่หลายลูกแต่พระก็ไปหาอาจารย์วเทพนั่งรถไปขึ้นรถที่ขอนแก่นจะไ่ขอนรถสีส้มร้อนรถเก่าๆขอให้เราลั่งข้างหลังมันก็ติดเครื่องเผาเรามันก็ร้อนขึ้นมาที่เก้าอี้เงยขึ้นโจมหมกไหลออกมาหาก็ไม่ไหวไม่ไหวร้อนรอนตายตายเอาผ้ามาพัตเตดเปงเาตาก็นั่งกัน